ข่าวหน้ากลุ้มโดยดังตรินตอนที่32มือดีโพสภาพกระพิบหลากสีขนาดเบอร่อมในกระทู้ของเว็บไซต์มูลนิธิโรคลมบ้าหมูทำให้ผู้ป่วยโรคลมชัก ซึ่งอ่อนไหวต่อการมองภาพมีอาการลมชักกำเริบทันทีที่มองการเยียวยารักษาเป็นเรื่องยากต้องใช้ความรู้ความสามารถใช้เวลาในการเล่าเรียนกันนานแต่การกลัน่นแกล้งทำร้ายนั้น อาศัยเพียงเลก่กลนจากความรู้ชั้นต่ำนิดเดียวก็สำเร็จได้เว็บไซต์ในข่าวหน้ากลุ่มชิ้นนี้คือ Epilepsy Foundation ซึ่งตามปกติจะให้บริการปรึกษาแบบตั้งกระทู้ถามได้เปรียบได้กับสถานพยาบาลสาธารณะให้บริการฟรีกับผู้ที่เป็นลมชักจึงนับเป็นฝ่ายธรรมะที่สร้างทะเลบุญขนาดมหือมาเป็นมหาทาน ส่วนการลักลอบนำภาพกระพริบหลากสีไปใส่ไว้ในเว็บนั้นคงเปรียบได้กับการแกล้งนำยาถ่ายไปสลับกับยาแก้โรคท้องร่วงเจริททำด้วยความคึกขนองหรือประสงค์ร้ายด้วยเหตุผลกลใดก็ตามแต่ต้องนับเป็นตลกเลือดชนิดเล่นถึงตายได้จริงๆข่าวทํานองนี้ชวนให้เราสงสัยว่าหัวใจของคนพวกนี้ทามาจากอะไรทาไมถึงเฮี้ยมโหดอมหิดเกินมนุษย์ได้ปานนั้น ความจริงหัวใจของพวกเขาก็ประกอบด้วยก้อนเลือดก้อนเนื้อเหมือนคุณกับผมนั่นแหละครับเพียงแต่จิตวิญญาณประกอบด้วยความรู้สึกนึกคิดคนละแบบมนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับมนุษยธรรมแต่ความรู้สึกนึกคิดแย่ๆที่พอกพูนขึ้นมาตามวันเดือนปีอาจทำให้เป็นโรคมนุษยธรรมบกพร่องได้ทุกเมื่อหากมนุษยธรรมยังเป็นปกติ เราจะเห็นคนและสัตว์ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากแล้วเกิดความสงสารอยากเข้าไปช่วยเหลือและอายเกินกว่าจะดูดายเมือนเฉยแต่เมื่อใดมนุษยธรรมบกพร่องภาพความทุกข์ทรมานที่ปรากฏต่อสายตาของเราอาจไม่ต่างจากการแกวงไกวของใบไม้หรือหนักกว่านั้นคือเป็นเรื่องตลบขบขันน่าหัวเราะเยาะภาพคนชกระตุกดิ้นพลัดพราดเหมือนกันแต่ด้วยเครื่องปรุงแต่งจิตต่างกัน ก็ก่อความรู้สึกให้ผู้พบเห็นต่างกันราวฟ้ากับเหวคนหนึ่งคิดว่าต้องช่วยอีกคนคิดว่าต้องดูขณะที่อีกคนคิดว่าต้องขำพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมชาติของจิตนั้นไหลลงต่ำดุจเดียวกับน้ำฉะนั้นเพื่อป้องกันการเป็นโรคมนุษยธรรมบกค่องคุณจำเป็นต้องหาช่องทางช่วยเหลือใครบ้าง เพราะเพียงอยู่เฉยๆไม่ยินยนต์สนใจจะช่วยใครในทางใดทางหนึ่งนานวันมนุษยธรรมของคุณก็โน้มเอียงจะไหลลงต่ำลงไปทุกทีกระทั่งวันหนึ่งอาจถึงกับใช้เวลาว่างในการหาวิธีกลั่นแกล้งคนป่วยให้ชักกระตุกโดยไม่แยแสสนใจแม้แต่น้อยว่าคนถูกแกล้งจะอยู่อย่างน่าเวทนาหรือจะตายอย่างทรมาน